พยาบาลคนหนึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบงานการมากแล้วก็ดูแลใจใส่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือคนที่ใกล้จะตายวันหนึ่งก็มีเพื่อนมาทักทวงเธอว่าเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลเหมือนกันมาทักท้วงเธอว่าคนที่ป่วยหนักใกล้จะตายเนี่ยขเขากำลังใช้กรรม ก็คือเคยทำกรรมในอดีตเอาไว้อดีตชาติและตอนนี้ก็ที่เจ็บป่วยก็เพราะว่ากรรมนั้นมาถึงแล้วนะเพราะั้นเนี่ยก็กำลังใช้กรรมอยู่พยาบาลคนนี้ก็ที่ทักทวงก็บอกว่าทานองว่าไม่ควรจะไปช่วยเหลือเขามากนะเพราะว่าเขาจะได้ใช้กรรมให้หมดหมดในชาตินี้ ชาตินหน้าเกิยไม่ต้องไปไปใช้กรรมพยาบาลคนแรกฟังแล้วก็งงงวยนะว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรือจริงจเนี่ยคนที่ป่วยหนักใกล้ตายเนี่ยยิ่งต้องพยายามช่วยเข า, าหากว่าช่วยเขาให้ให้มีชีวิตรอดไม่ได้ก็ช่วยเขาตายสงบจะมีความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ช่วยบรรเทาความทุกข์นั้น เธอก็แปลกใจที่นะมีคนมาทักท้วงว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะนะควรจะปล่อยให้คนไข้เขาอ่านะเจ็บปวดต่อไปเพื่อเขาจะได้ใช้กรรมให้หมดในชาตินี้ตายไปเกิดใหม่ก็ได้ไม่ต้องไปใช้กรรมเอาความคิดแบบนี้นี่มันไม่ใช่แค่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 หรือผู้ป่วยหนักถ้าเกิดเราไปช่วยเขาให้เกิดลอดชีวยขึ้นมาได้เจ้ากรรมในเวรของคนนั้นของผู้ป่วยคนนั้นก็จะไม่พอใจแล้วก็จะมาเล่นงานเราทําทให้เกิดเพราะเกิดความลําบากขึ้นมาสรุปก็คือว่าอย่าไปช่วยผู้ป่วยเหล่านี้ให้เขารับกรรมของเขาไป มันก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นกับแพทย์และพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่คนที่เชื่อแบบนี้ก็เป็นคนที่เข้าวัดเป็นคนธรรมะธรรมโมชอบทำบุญอาจจะฟังทำปฏิบัติทำได้ซ้ำอาการที่เขามีความคิดความเข้าใจหรือความเชื่อเช่นเนี้ยก็เดา ว, ว่าเขาคงเป็นเพราะเขาเข้าใจว่าเนียคือคาสอนของพระพุทธเจ้า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 กรรมที่ทำไม่ดีในอดิตชาติเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมารับกรรมหรือว่าใช้กรรมอันนี้เนี่ยดูเพลินก็น่าจะเป็นคำสอนของพวกเจ้านะแต่ที่จริงไม่ใช่เลยพวกเจ้าตรัสว่ามีลัทธิความเชื่อนอกพุทธศาสนาอยู่3ประการข้อแรกประการแรกก็คือความเชื่อว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนปางก่อนนี่หมายถึงชาติก่อนชาติโน้นชาติที่แล้วพระเจ้าเรียกความคิดแบบนี้ว่าปุเพกตะเหตุว่ารัฐที่กรรมเก่านะพูด ง, งา่ายอันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะมันเป็นรัฐที่นอกพุทธศาสนาเลยอีกรัฐทีหนึ่งก็คือรัที่ว่าที่ สุขหรือทุกข์ในปัจจุบันเป็นเพราะาการโดนบันดาลของพระเจ้าอาจจะรวมไปถึงการโดนบันดาลของเทวดาทั้งหลายอีกลัทธีหนึ่งนะก็คือความเชื่อว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยไม่มีสาเหตุชาวผู้จํานวนไมากเนี่ยมีความคิดความเชื่อข้อแรกเยอะทีเดียวโดวยความเชื่อว่ามันเป็นคําสอนในพุทธศาสนามีอะไรเกิดขึ้นก็ไปเมาว่าเป็นเพราะกรรมเก่า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 หนึ่งในเหตุปัจจัยอีกมากมายหลายอย่างที่ทาให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาและผลกรรมที่ผู้เจ้าตรันี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นกรรมจากอดีตชาติหรือเป็นกรรมในอดีตชาติอาจจะ ก, กรรมในปัจจุบันก็ได้เรื่องนี้ก็อธิบายไม่ยาก เ, เช่นคนที่กินเหล้าสุ บ, บรีนะเป็น 10,10 ปีเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็ป่วยเป็นมะเร็ง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 เสร็จแล้วก็ป่วยเป็นโรคหัวใจซึ่งเป็นกันเยอะนะในยุค ป, ปัจจุบันนี้เป็นกันเยอะมากเขาเรียกว่าโรคขี้เกียจนะมันก็ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าอะไรเลยนะมันก็เกิดจากการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะไม่ออกกําลังกายเอาแต่นั่งนั่งๆ น, นอนๆ อ, อนอันนี้มันก็เห็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปอันที่พระเจ้าตรัสนะ ว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดจากไว้ยสาเหตุนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทันสมัยทีเดียวแต่ว่าเด๋ยวนี้นี่ผู้คนกลับพยายามทําให้คําสอนงของพระเจ้าเนี่ยมันแคบลงแล้วก็ผิดเพี้ยนไปหรือไปเข้าใจว่าความเจ็บป่วยนะหรือว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งก็ตามนะถือว่าเป็นเพราะ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 แล้วก็บอกว่าเนี่ยน้องชายเขาต้องรับกรรมของเข า, าเธอไม่ไปไม่ไปช่วยมันจะกลายเป็นการไปแทรกแซงกรรมเขาอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากนะของชาวพุทธจำนวนมากทีเดียวว่าการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนี่ไปเป็นการแทรกแซงกรรมที่จริงก็จะไม่รู้ว่าการที่นิ่งดูได้ไม่ช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นการสร้างกรรมใหม่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 ไม่ไปช่วยเหลือใครเนี่ยด้วยเหตุผลว่าจะเป็นการแทรกแซงกรรมเขาหรือกลัวว่าเจ้ากรรมในเวของคนนั้นนาจะมาเล่นงานเราไอความช่วยเหล่อเจ้ากรรมในเวนี่มันจริงๆรนะไอคำนี่มันก็ไม่มีนักปัตยบีดดกนะมันมีแต่คู่เวนคู่กรรมไอคู่เวนคู่กรรมนี่มันก็ความหมายก็ไม่ตรงกับเจ้ากรรมในเวที่เข้าใจปัจจุบัน เดีย๋ยนี้ไปเข้าใจว่าเจ้ากรรมในแบ่งคือวิญญาณมืดหรือว่าพลังมืดบางอย่างที่สามารถจะทําร้ายใครก็ได้คู่เวญคู่กรรมมัไม่ใช่ใครหรอกก็อาจจะเป็นสามีภรรยาหรือพี่น้องส่วนใหญ่ก็สามีภรรยาผัวเมียนี่แหละนะที่อาจจะเป็นคู่เวญคู่กรรมนันก็ได้คู่บุญก็มีนะแต่ว่าคู่เวญคู่กรรมก็เยอะเช่นแต่งงานกันกเสร็จแล้วก็ฆ่ากันทําร้ายกัน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 เอือเฟื่อเอื้อคูณต่อกันมันกับกลายสภาพกลายเป็นว่าส่งเสริมไม่คนนะไม่มีน้ําใจยิ่งดูได้นับถือพูดแล้วนี่แต่ถ้าไม่มีน้ําใจแบบนี้นี่อาการการไม่นับถือพูดแต่จะดีสักว่าอันนี้พูดแบบแรงๆเลยนะถ้านับถือพูดแบบนี้นี่ไม่นับถือยังยั ง, ยงจะดีกว่าพราคนที่ข้อไกลวัดไกลวาเขากเออเฟืเูณ พอ เ, เห็นคนตกทุกขได้ยากเขาก็ช่วยแต่ทำไมคนถือพุทธนะเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปๆมาๆกับไร้น้ำใจอันนี้เรียกว่าเกิดมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็มันก็จะกลายเป็นความเชื่อที่แพร่หลายไปทั่วและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้คนที่ไม่ได้นับถือพุทธเนี่ยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมชาวพูดถึงปฏิบัติแบบนี้ทาไมชาวพูดถึงไร้น้าใจแบบนี้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 ถ้าอุที่บุญกุศลในใครเนี่ยจะทําให้บุญกุศลในของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงคนที่แบบนี้มีจริงๆแล้วก็คงจะมีไม่น้อยคิดได้ยังไงนะว่าการแผ่อุดที่ส่วนกุศลนะให้คนอื่นนี่จะทําให้กุศลบุญกุศลของเราน้อยลงไปบุญกุศลนี่มันไม่เหมือนเงินนะเงินนี่ถ้าเราแจกจ่ายคนอื่นเงินในกระเป๋าของเราก็จะน้อยลงแต่บุญกุศลนี่ไม่ใช่เลย แคนที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยนะแสดงว่าไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานคือเรื่องบุญอาคนที่ศึกษาพุทธศาสนาก็จะพบว่าบุญซึ่งมีสิบประการเนี่ยนะหนึ่งในสิบนั่นก็คือปฏิทานทําไมปฏิทานทําไมแปลว่าอะไรแปลว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนกุศลยิ่งอุทิศส่วนกุศลให้เท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าบุญจะน้อยลง ยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะอันนี้มองอย่างเห็นกั่ตัวนะยิ่งอยากได้อยากมีมากๆนี่ต้องยิงย่งต้องยิ่งให้ก็คือที่ส่วนสนให้คนมากขึ้นเรื่อยๆคาว่าบุญเนี่ยนะเป็นเป็นความคิดพื้นฐานเลยนะถ้าเข้าใจผิดนะก็เรียกว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นพุทธมากที่จริงแล้วเนี่ยนะมันมีตัวอย่างมากมายนะในชาดกหรือว่าที่พูดถึงความเสียสละ แม้กระทั่งสละชีวิตให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างในในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะพระพุทิดัตว์เนี่ยพระพุทิดัตว์ก็คือผู้ที่มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเกิดมาเป็นพรามแล้วก็วันหนึ่งเห็นแม่เสือตัวหนึ่งมันหิวโซเลยและมันกำลังจะกินลูกน้อยของมัน พรามก็บอกให้ลูกศิษย์เนี่ยรีบไปหาอาหารมาเพื่อให้แม่เสือแม่เสือมันจะได้ไม่กินลูกของมันแต่ปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยหายไปนานเลยเสือนี่มันก็มันก็หิวโซมากขึ้นแล้วมันก็ทำท่าจะขย้ำลูกของมันพรามทำยังไงพรามก็กระโดดลงไปเลยนะเพื่ออุทิร่างกายเนี่ยอุทิศชีวิตให้ให้แก่แม่เสือ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 พรามหรือพระโพธิสัตว์นี่ไม่มีความคิดแบบนี้เลยคือไม่มีความคิดว่าเนี่ยการไปช่วยชีวิตลูกเสือนี่เป็นการแทรกแซงกรรมหรือว่าคิดว่าเนี่ยเสือลูกเสือที่มันจะถูกกินเพราะมันไปทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตไม่มีความคิดแบบนี้เลยในในจิตสำนึกของพรามก็ถึงกับโดดนะโดดลงไปนะให้เสือขยำ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 เพราะว่าที่จริงอาจจะมีเหตุปัจจัยมาจากกรรมในปัจจุบันนี้เองเช่นพ่อค้าที่เขาไม่รู้จักวางแผนธุรกิจนั้นทำไปทำไปก็อาจจะขาดทุนไอ้ที่ขาดทุนไม่ได้เป็นเพราะว่าไปชาติที่ร่ำไปขโมยขายไว้นะแต่เป็นเพราะว่ากรรมในปัจจุบันนี่แหละการวางแผนบริหารธุรกิจเนี่ยไม่ดีนะ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 เป็นเพราะว่าบริหารร่างกายไม่ดีใช้ชีวิตไม่ถูกไม่ถูกสุขลักษณะก็ปรับชีวิตซะหลายคนพอปรับชีวิต ก, ก็บอกว่าเออโรคหัวใจก็หายโรคมะเร็งก็บรรเทาลงไปจะไปคิดว่าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะการใช้กรรมที่จริงถ้าพูดถึงการใช้กรรมเนี่ยนะมันมีการใช้กรรมอยู่2แบบนะใช้กรรมแบบแรกนี่หมายถึงการชดใช้กรรม ใช้กรรมแบบที่2นี่หมายถึงการฉวย ใ, ใช้กรรมหมายเขาว่า อ, อย่งไงนะเช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยน ะ, ะถ้าใช้กรรมก็คื อ, อก็ก็ถือว่ายอมทนไปเราทำกรรมไม่ดีในดีตชาติชาตินี้เราก็เลยมาใช้กรรมซึ่งก็ดีนะก็ทำให้ไม่ทุกทรมานยอมรับสภาพได้แต่ว่าถ้าหากเราฉลาดสักหน่อยเนี่ย เราสามารถจะฉวยใช้กรรมนั้นได้ก็คือใช้ความเจ็บป่วยเป็นประโยชน์หลายคนเนี่ยนะพอเจ็บป่วยแล้วเนี่ยาขาได้ประโยชน์จากความเจ็บป่วยก็คือว่ามันได้สอนให้เขาเห็นให้เขาเข้าใจธรรมะมากขึ้นทำให้เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าทำให้เขาเนี่ยได้เห็นธรรมะเพราะว่าพอความตายใกล้เข้ามาแล้วก็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 แล้ววันนี้ก็หลอกให้นางสามาวดีกับบริษัทบริวารเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในคลังเก็บผ้าแล้วก็เผาเผาทั้งคลังเผาทั้งปราสาทเลยกล่าวว่าให้ไฟคลอกให้ตายนางสามาวดีเนี่ยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเธอก็แผ่เมตตาให้อภัยนางมาคันธียาถ้านนั้นไม่พอนะเธอยังเจริญกรรมฐานด้วย เอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็คือเอาทุกขเวทนาจากฝ่ายที่เผาไหม้เนี่ยมาเป็นมาเป็นอารมณ์มาเป็นอุปกรณ์ในการเจริญภาวนาผู้นัคือใช้เวทนานุปัสสนานี่เรียกว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์ดูความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดจงกระทั่งไฟเผาจนสิ้นชีวิตนะตัวดำเป็นตอตะโกเลย ก็มีคนไปทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็หลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมนางสาโมาดีซึ่งเป็นคนดีมากอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทำไมต้องมาจบชีวิตแบบนี้เหมือนกับว่าทำดีทำไมไม่ได้ดีพุทธเจ้าพอได้ฟังเรื่องพอได้ฟังข่าวรับรู้ ข, ข่าวของนางสาโมาดีก็บอกว่าการตายของนางและบริวารเนี่ยเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าเพราะว่า ทุกคนนี้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงอีกนางสมามอดีนี่ก็เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วนะแต่ว่าเหตุการณ์คั้งก็ทําให้บรรลุธรรมขั้นสูงเพราะว่าการภาวนาเอาเวทนาเป็นอารมณ์เนี่ยทำให้ทําให้เกิดปัญญาจแจ่มแจ้งขึ้นก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเสร็จแล้วพระเจ้า ก, ก็อธิบายว่านางสมามอดีเนี่ยชาติก่อนนะชาติก่อนก่อนโน้นเนี่ยเคยทําไม่ดีกับ พระประเจกพุทธเจ้าก็คือว่าวันหนึ่งเธอกับบริวารก็ไปไปอาบน้ำในสระแล้วพอขึ้นมาก็รู้สึกหนาวสึกเย็นก็เห็นกองฟางอยู่ใกล้ๆก็เลยจุดไฟเผาเพื่อให้ความอบอุ่นปรากฏว่าในใกล้ๆกองฟางนั่นแหละนะพระโพธิสัตว์พระประเจกพุทธเจ้ากำลังบำเพ็ญสมาบัติอยู่นิโรธสมาบัติ พอรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจนะนางสาววดีเนี่ยอดีตชาติของนางสาววดีกลัวว่าความผิดของตัวเองจะเป็นที่รู้ก็เลยคราวนี้ตั้งใจปกปิดทําลายหลักฐานเลยคือกาบเผาให้มอดไหม้เลยเผาครั้งแรกไม่ตั้งใจแต่เผาครั้งที่2นี้ตั้งใจนะกะว่าจะทําลายหลักฐานแต่ปรากฏ ว, ว่าไม่สําเร็จนะแต่ไอ้กรรมนั่นแหละก็ทําให้นางสาววดีใน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 พระรูปนี้นี่ท่านเจริญนะเจริญกรรมฐานบำเพ็ญกรรมฐา น, นขาที่ถูกเสือกับบอกว่าท่านบรรลุธรรมเป็นพระรหรัน์คาปากเสือเลยท่านบรรลุธรรมอย่างไรก็ท่านก็เจริญภาวนาบำเพ็ญกรรมฐานเหมือนกับนางสามอาวดีนะคือเอาความเจ็บปวดนี่แหละเอาทุกขเวทนาเนี่ยมาเป็นอารมณ์ก็ทําให้เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากเลยสังขารเป็นทุกข์มากจนกระทั้งรู้ว่าไม่น่ายึดถือ เกิดปัญญานะปล่อยวางนะปล่อยวางสังขารจิตก็หลุดพ้นอันนี้เรียกว่ารู้จักช่วยใชนะ้เหตุร้ายให้กลายเป็นดีหลวงพ่อคำเขียนะบอกวภาวนาคือการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีชาวพุทธเรานักปฏิบัติเราต้องฉลาดนะเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาอย่ามวัวแต่คร่ํำครวญว่าทําไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้ น, น, นหรืออย่ามวัวแต่คิดว่าเออเราใช้กรรมน ะ, ะคิดแค่นั้นไม่พอนะ มันต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เปลี่ยนล้ายกลายเป็นดีอันนี้แหละนะถึงจะเป็นเป็นวิสัยของบัณฑิตอ่าคำเดียวพูดกันท่านนี้กลับพระ